ฉันถามคุณแม่ว่าแกออกไปไหนคุณแม่บอกว่าแกออกไปบ้านเพื่อนผู้หญิงแล้วนี่คืออะไรคะแกมาสนิทสดิทอยู่บ้านผู้ชายแบบนี้เนี่ยฉันบอกคุณแม่ให้ห้ามแกไม่ให้ยุ่งกับคุณอะครับพลแต่แกก็ยังมายุ่งทำไมอยากมีผัวมากเลยเหรอ